ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเขาเรียกสา ม, มัญลักษณะของบุคคลที่เกิดขึ้นและแต่บนวัฒนาบาบ ร, รมีที่จะไปเกิดในสถานที่นั้นๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเลยว่าพุทธองคอ์ท่านก็เกิดในตระกูลที่สูงที่สุดนะเราก็รู้แล้วว่าท่านเป็นกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์ทังพร้อมโดยสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยสี่เป็นเรื่องของโลกธรรมแปดหรือว่าจะเป็นหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่ห้อมล้อมอยู่ล้นแล้วแต่ว่าความสบายทุกอย่างแล้วทาไมท่านจึงออกจากตรงนั้นมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมานั่งอย่างเราเนี่ยเพราท่านเคยนั่งมาก่อนแล้วเรื่องของสมาธิจึงเป็นเรื่องของการ ด, ดําเนินความเจริญของชีวิต ที่คนนั้นไม่รู้จักก็จะรู้จักขึ้นอนโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่กับจิตเราสมควรไหมที่จะต้องรู้จักที่เรียกว่าผันห้ามีลูกมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณห้าข้อเนี่ยสมควรไหมที่เราจะรู้จักการรู้จักสิ่งทั้งห้าข้อนี้ทำให้บุคคล น, นั้นรู้จักสิ่งที่เป็นอนัตตา คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนเมื่อก่อนนี้เราอาจจะไม่รู้จักคําว่าอนัตตาจะรู้จักคําว่าตัวตนเท่านั้นซึ่งเขาเรียกว่ามีกิเลสกิเลสตัวนี้ก็คืออวิชชาความไม่รู้ทั้งหลายที่เรากระทําขึ้นหรือประกอบขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นอวิชชาคือความไม่รู้ทั้งสิ้นกิเลสข้อหนึ่งที่เป็นอวิชชาพายชีวิตเรา เป็นไปตามลักษณะสามัญชนหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาตั้งอยู่ดับไปด้วยสังขารที่อาศัยคือแก่เจ็บแล้วก็ตายมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เ่านั้นเรียนไหวใจเกิดก็คือเรื่องของอวิชชาเรื่องของอุ ป, ปาทานความดิมัน่นแล้วก็เรื่องของวิบากที่พระพุทธเจ้าท่งเรียกว่า นิสัยโลกตกคมอยู่ความไม่รู้ทั้งสามประการที่กล่าวแล้วเป็นเรื่องของสามัญปกติของชีวิตมนุษย์ที่เกิดและดับไปพระพุทธองค์นั้นทรงเข้าใจถึงเรื่องนี้ดีเข้าใจอย่างเด่นชัดจึงได้บอกกล่าวขึ้นว่าเรื่องของสมาธินั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่ทำให้เราเจริญความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าปัญญาทาให้เราเจริญขึ้น ผ่อนคลายขึ้นและวางขึ้นกับเรื่องราวทั้งหลายของขันห้ามิทธิ์ถ้าเราพิจารณาตามลักษณะที่ท่านบอกแล้วเราจะเห็นชัดเลยว่าลูกศัพท์แต่ว่าลูกมีลูกเกิดลูกหนุ่มสาวลูกแก่แล้วก็ลูกตายให้เราได้เห็นมีใครไหมที่เกิดมาเป็นลูกที่ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตาย ซึ่งเราทุกคนนั้นก็คงจะไม่ปฏิเสธเรื่องของรูปที่ปรากฏในสายตาที่พบเห็นรูปที่เคยเห็นที่เคยยึดที่เคยว่าเป็นของเราหรือของเขาหายไปไหนสุดท้ายถ้าทั้งสี่ขันทั้งห้านั้นก็ละลายไปถ้าเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้จะทำให้เราเข้าใจรูป ว่ารูปมีศักแต่ว่าตั้งจูแล้วก็ดับไปเป็นปัจจัยสำหรับบุคคลที่รู้หรือไม่รู้ถ้ารู้จะละวางรูปและเก็บอรูปนั้นขึ้นมายัางอ่ามาทำประโยชน์เช่นอย่างมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ไหว้พระมาภาวนาหรือจะทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระเพื้อเฟือเฟ้อเผื่แผ่ในบุคคลที่ใกล้ชิด เราก็จะได้ไปได้ประโยชน์จากรูปที่เป็นอนัตตานั้นเราก็คงจะขมีขมันใช้รูปนี้ให้เป็นประโยชน์ก่อนที่รูปนี้จะเป็นอนัตตาแต่ปกติแล้วคนเราจะใช้รูปไปในทางที่ลบหรือไม่ดีหรืออกวิชชาเช่นใช้รูปไปทางราคะคือความโลภโทรศัพท์คือความโกรธโมหะคือความหลงเขาเรียกว่าหลงรูป หลงปัจจัยสี่หลงโลกกระทั่แปดหลงทรัพย์สมบัติไปกระทั่งหลงลูกหลงหลานหลงญาติพี่น้องหลงเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหลงไว้ทุกอย่างถ้าเราไม่เข้าใจรูปจึงปล่อยให้รูปนั้นเป็นอักวิชชาขึ้นเขาเรียกว่าใช้รูปไปในทางที่ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราใช้รูปอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการฝึกกรองพิจารณา ให้รู้จักสภาวะความเป็นจริงของรูปเราก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อรูปนี้ตั้งอยู่เกิดมาตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปก่อนที่รูปนี้จะละลายอะไรที่เป็นประโยชน์เกจิตตรงนี้เป็นสาระเกจิตตรงนี้ก็จะกระทาขึ้นเหมือนอย่างเรานำรูปมาตั้งงทุกคนขณนะนี้ก็คือนำรูปมาตั้ง ตั้งอยู่ในท่ามกลางของสัจธรรมคือความเป็นธรรมที่เรียกว่านั่งสมาธิเป็นประโยชน์แล้วย่างน้อยหยุดพักเรื่องราวสิ่งที่เราไม่รู้นั้นเข้าไว้ก่อนเช่นอย่างเรื่องของอารมณ์ซึ่งเราจะกล่าวต่อไปในขณะที่เรานำรูปมันตั้งอยู่ในท่ามกลางของสัจธรรมจิตเราก็รู้จักปฏิเสธ เรื่องราวที่จะทำให้เกิดเป็นองค์สมาธิขึ้นนี่เขาเรียกรูปมีประโยชน์ตามตามภาษาธรรมก็เรียกว่า <c oughs> อย่าหลับนอนก่อนคิดพิจารณารูปอย่ามัวหลงลูกเหมือนอาหารว่างึังยังมีอีกมากมายกายกองสางหรับบุคคลที่ใช้รูปไม่เป็นใช้รูปไปนในทางที่เรียกว่าเป็นรี่ของชีวิตคือเบียดเบียนผู้อื่นทาร้ายผู้อื่นด้วยกิริยารูปนี้ หรือบางทีกระตกตีทะเลาะเบาแวงท่นบาดเจ็บรวมตายไปก็เพราะรูปนี้ถ้าเราเข้าใจพิจารณาถึงรูปเข้าใจสักนิดหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจมากแต่เข้าใจสักนิดหนึ่งในองค์คลีของพระพุทธเจา้าเราก็จะใช้รูปนี้เป็นประโยชน์ขึ้นซึ่งผู้บรรยายเองเคยบอกว่าคนเราเกิดมาวันวันหนึ่ง หรอตายจะแทนทุกวันนี้ถ้าเราเดินไปเดินมากินกันไปกินกันมาพูดกันไปพูดกันมาเหมือนหรอตายถ้าเรายังไม่ถึงตายเดี๋ยวเราก็เห็นคนโน้นเขาตายคนนี้เขาตายคนโน้นเขาเจ็บคนโน้นเขาตายคนนาาี้นนเขาเจ็บคนโน้นเขาตายอยู่ตลอดเหมือนชีวิตที่เกิดมาเพื่อหรอตายในขณะที่ยังไม่ถึงความตายเนี่ยมันก็มีรูปแก่ให้เราเห็นมีรูปเจ็บให้เราเห็น แล้วก็ลูกแก่รูปเจ็บที่เราเห็นนั้นก็มากมายก่ายกองสารพัด ท, ที่เราจะเห็นในรูปนั้นการปรองรูปให้รู้จักความเป็นจริงที่เรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ให้เกิดเป็นความรู้พระพุทธองค์ท่านบอกว่าจิตตรงนี้จเจริญขึ้นแล้วจเจริญที่นี้ไม่ใช่ว่าจเจริญในลักษณะแบบว่าสูงขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงสังขารอะไรไม่ใช่จเจริญในทางสติและปัญญา เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักโยนิโสคือการกรองพิจารณาให้เกิดเป็นความเข้าใจขึ้นจากสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเอาไปคิดเอาไปคิดเอาไปตรึกเอาไปกรองให้ได้เหตุได้ผลในคำสอนที่ฝังข้อที่สองได้พบได้เห็นอะไร กับเรื่องราวที่กระทบขึ้นในทางกายนี้ก็เอาไปคิดไปึดไปกรองก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นพู้ง่ายๆก็คือฟังธรรมแล้วคิดบ้างไม่ฟังธรรมก็คิดเอาเองบ้างถ้าเราใช้ประโยชน์สองประการนี้ขึ้นมาบวกกันขึ้นเราก็จะเห็นชัดเลยว่าพระพุทธองค์นั้นทรงตรัสทรงสอนเรื่องของความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องหลอกลวง เป็นเรื่องของปัญญาแปลว่าทาลายอวิชชาคือความไม่รู้นั้นเราจะเห็นทันทีเลย ว, ว่าเหตุที่ฟังได้ประโยชน์กับการพิจารณาถ้าฟังแล้วไม่พิจารณาก็ไม่เป็นประโยชน์ในการฟังนี่คือรูปยังมีมากมายมีอีกเยอะแยะที่เราจะต้องไปพิจารณาโดยลักษณะความเป็นจริงของตนเองไม่ใช่ว่ามานั่งบรรยายเรื่องรูปตรงนี้กระทั่งคนนั้นสาเร็จไม่ใช่ เพียงแต่ว่าทีแนะว่ารูปนั้นสมควรพิจารณาขึ้นให้เกิดเป็นความเข้าใจว่าเกิดมาตั้งอยู่ดับไปเมื่อเราเข้าใจถึงลักษณะข้อชี้ธรรมแล้วก็จะเป็นหนทางแห่งการสืกสาวหาประโยชน์กับเรื่องของรูปเหล่านั้นให้เกิดเป็นความแตกฉานหรือเข้าใจขึ้นว่าจริงไหมที่พรเจ้าสมบัตวคขันห้าเกิดมาตั้งอยู่ดับไปซึ่งเกี่กับลักษณะว่า อนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเราก็จะเห็นช่องทางใการพิจารณาขึ้นข้อที่สองเวทนาทีวิตยของคนเรานั้นเกิดมามีเวทนาเป็นสองพุทธเจ้าท่าเรียกว่าทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาทุกแปลว่าลำบากอะลาบากกายลำบากใจเรียกว่าความทุกข ทุกกายทุกใจทุกแต่แต่กรจำความได้กระทั่งจะตายไปก็ยังทุกกายทุกใจอยู่นั่นแหละคือไม่หมดความทุกสักทีเมื่อไรจะหมดความทุกมีมีคนมาถามผู้บรรยายว่าเมื่อไรท่านจะหมดเวรหมดกรรมจะหมดทุกก็บอกว่าทัานชาตินี้โย้วยหมดเวรหมดกรรมและไม่หมดทุก เพราสิ่งที่จะบททุกนั้นคือพระอาหารหันต์เท่านั้นคือถ้าจะมีทุกขเวทนาเพียงชาตินี้ในเรื่องของกายแต่เรื่องของใจท่านไม่มีทุกเพราะว่าสังขารนั้นยังเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ถ้าดับเมื่อไหร่ก็หมดทุกของกายเพราะใจท่านไม่มีทุกแล้วท่านก็ไม่เกิดใหม่อีกแต่อย่างเรายัางทุกกายทุกใจด้วยเรื่องของอารมณ์กรรมคือตัวกระทํำของ กายหนึ่งวาจานหนึ่งแล้วก็จิตหนึ่งไม่หมดชาตินี้ไม่หมดเราจะต้องทนรับกับเรื่องของทุกข์อันนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมีทุกข์เป็นหลักเ้าเรียกว่าทุกขเวทนาแล้วก็สุขเวทนาก็คือมีทั้งสุขด้วยมีทุกข์ด้วยมีสุขด้วยสุขแปลว่าความสบายายสบายใจ แล้วมันก็มาทุกกายทุกใจอีกแล้วมันก็ไปสุขกายสุขใจอีกอยู่อย่างเนี้ยตามลักษณะคํ า, าคสอนของพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอิฐถาลมอนิฐาลมคืออารมณ์ที่ทําให้เราไปสุขและอารมณ์ที่ทําให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่เราสุขเนะี่ยมันก็สุขอยู่กับเรื่องของความปกติในเรื่องความสมหวังในเรื่องสิ่งที่เราได้มาแต่ถ้ามันไม่สมหวังมันไม่ได้มามันก็ทุกข์อีก ทุกข์กับเรื่องราวของชีวิต ท, ที่อยู่ใกล้ชิดคือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ทั้งหลายซึ่งเราก็คงจะเห็นได้ ว, ว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากใครจากตัวเราจา ก, กบุคคลใกล้ชิดความสุขก็เหมือนกันมันก็เกิดขึ้นจากความใกล้ชิดคือตัวเราและตัวเขาอย่างทงหมติว่าถ้ากพูดดีๆกับพระของ ถ้าขอก็เป็นสุขถ้าก่อก็เป็นสุขเพราะว่าพูดดีแต่ถ้าพระกรพูดกับพระขอไม่ดีถ้าก่อก็เป็นทุกข์พระขอก็เป็นทุกข์นั่นน่ะคือลักษณะของเขาว่าทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็สุขกายสุขใจก็จ้องค์ท่านเรียกว่าสุขที่อิงอามิตรแล้วก็ทุกข์ที่อิงอามิตรคือทุกข์ด้วยปจัจจัยสี่ทุกข์ด้วยโลกธรรมแป แล้วมานก็สุบด้วยปัจจัยสี่สุขด้วยโลกธรรมแปแต่ความทุกข์อีกข้อหนึ่งความสุขอีกข้อหนึ่งนั้นบางทีเราก็เข้าไม่ถึงถ้าไม่มีใครบอกถ้าไม่มีใครชี้แจงถ้าไม่มีใครแสดงให้เราฟังหรือได้ยินเราก็คงจะไม่รู้จักสิ่งนั้นก็คือทุกข์ของกรรมที่ทําให้เวีนว่าตายเกิด ทุกของกรรมที่ทําให้เรานั้นไปขุดไปเกิดในภพในชาติต่างๆเช่นมนุษย์บ้างอบายภูมิบ้างนี่ใครจะรู้จักทุกข้อนี้นอกจากพระพุทธองค์เท่านั้นที่ทีแจแสดงให้เราฟังบรรยายให้เราฟังเรื่องของความทุกข์ที่ติดที่ติดจิตตรงนี้มาติดกายอันนี้มานี่คือลักษณะ ข, ของความทุกข์ ที่เรียกว่าทุกเกิดแกเ่เจ็บตายทุกที่ยังเป็นอัตตาทุกที่ยังมีอุปาทานทุกที่จะเป็นอวิชชาคือความไม่รู้ความทุกข้อนี้เป็นความทุกข์มหัน์ถ้าเราไม่รู้จักคิดไม่รู้จักพิจารณาถึงความทุกข์ข้อนี้บางทีเราก็พลาดถ้าจากการเกิดการตายของชีวิตอนาคตปัจจุบันนี้เราสบายเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ เราบอกว่าเราสบายแล้วเรามีปัจจัยสี่เรามีโลกธรรมแปดเรามีญาติมีมิตรเรามีการงานเรามีเงินมีทองเราสบายแล้วแต่เราไม่เคยนึกถึงความทุกข์ที่จะเกิดกับติดตรงนี้ที่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกรรมที่เราทําขึ้นคือกายกรร ม, มตริกรรมมโนกรรมเราอาจจะไม่เคยไปคิดตรงนั้นเลย ถ้าพระพุทธองค์นั้นไม่ทรงแสดงไม่คงไม่ทรงบอกเราหรือสอนเราเราคงไม่รู้จักทุกข้อนี้ความสุขอีกข้อหนึ่งที่พระพุทธองค์นั้นทรงสอนให้เรารู้จักความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขของจิตจิตที่ฝึกฝนและทำไว้ดีแล้วด้วยเรื่องของอุปกิิลสามคืออวิชชาอุปาทานและวิบากกรรม ถ้าฝึกไว้ดีแล้วจิตนี้จะเป็นสุขเหมือนกับว่าจิตนั้นรู้จักบ่าวก็จะทราบถึงเรื่องดีๆคือบุญขึ้นนี่แหละที่พระเจ้าท่านบอกว่าจิตตังพันตังสุ ข, ขาวะหังละ่ะคือจิตที่ฝึกผลดีแล้วก็มีสุขขึ้นสุขตรงนี้ถ้าไม่มีใครบอกพระุทธองค์ไม่ทรงแสดงไม่ทรงที่แจงไว้ไหนเลยเราจะรู้จักคําว่าสุขของจิต และสุขของจิตนี้ไม่ใช่สุขอิงอามิตด้วยเรื่องของปัจจัยสี่หรือโลกธรรมแปดแต่เป็นเรื่องของจิตที่มีความสุขเพราะความเข้าใจถึงเรื่องที่บอกไ้แล้วว่าความไม่รู้เหล่านั้นอุปาทานเหล่านั้นและวิบากกรรมเหล่านั้นเราก็คงจะเข้าใจถึงลักษณะว่าความสุขที่แท้จริงต้องทำอย่างไงและความสุขที่เราอาศัยอยู่จะต้องทาอย่างไรทุกที่แท้จริงคืออะไร ทุกที่เราอาศัยอยู่คืออะไรนะผู้ปฏิบัติคงจะเข้าใจถึงเรื่องของเวทนาที่เรียกว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาจะ เ, เน้นตรงนี้ก็คืออยากให้ทราบและให้เข้าใจถึงเรื่องกรรมที่ทําให้ทุกขและธรรมที่ทําให้จิตเป็นสุขอยากจะเน้นตรงนี้ไม่อยากจะเน้นเรื่องปัจจัยสี่โลกธรรมแต่เพราะว่าสิ่งนี้เราสบายแล้ว เราไม่มีความลาบากอะไรเลยกับเรื่องของปัจจัยสี่และโลกธรรมแปซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นเนเรื่องสา ม, มัญถ้าตามลกักเขาเรียกว่าเหมือนเรื่องกระพี้เรื่องเปลือกแต่อยากจะเน้นถึงเรื่องแก่นคือกรรมที่ทำให้ทุกข์จิตที่ฝึกฝนดีแล้วมีธรรมนั้นคือจิตที่เป็นสุขอยากเน้นตรงนี้ให้ผู้ปฏิบัติได้มีความเข้าใจถึงลักษณะว่าเรามาทาอะไรในเรื่องของสุขที่แท้จริงและทุกข์ที่แท้จริง อยากให้ไปัะจัยตรงนี้จะได้เป็นคันลองเป็นแนวทางทั้งการปฏิบัติและการพิจารณาขึ้นเราทุกคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือจะเป็นอุบาสกบาสิ ก, กาก็ได้ชื่อว่าผู้แสวงหาโดยลักษณะรูปนั้นปรากฏขึ้นว่าต้องการอยากรู้ต้องการอยากเจริญ ต้องการอยากมีปัญญาจึงบอกให้ขยาให้ฟังถึงเนื้อความว่าการนั่งสมาธินั้นทำให้คนเราเจริญด้วยสติและปัญญาไม่ใช่เรามานั่งมันอยู่เฉยๆแล้วก็ได้ปัญญาขึ้นหน้าที่ของจิตที่นั่งอยู่ในองค์สมาธิต้องแสวงหาซึ่งปัญญาเรามีโอกาสที่จะนั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครโกนใจ ไม่มีใครมาเรียกร้องก็ทําผิดให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นกับเรื่องของตนเองที่อยู่ใกล้ๆคือกายนี้หรือว่านิสัยอันนี้ถ้าเราไม่พิจารณากายไม่พิจารณาถึงนิสัยจะมีปัญญาตรงไหนจะมีความเข้าใจอะไรให้นั่งไปกระทั่งตายเราก็คงไม่รู้อะไรเลยก็ได้แต่ว่ากําลังจัเจริญกําลังจัดเจริญอยู่นั่นแหละยังไม่จเจริญอะไรเลยเพราะเรายังไม่ได้พิจารณาอะไรเลย เพราะฉะนั้นเรื่องของรูปกรีเวทนากรีที่บอกแล้วเป็นเรื่องของแนวทางที่เราทุกคนนั้นต้องคิดต้องพิจรนารณาให้เกิดเป็นความเข้าใจขึ้นเพื่อประโยชน์ตนไม่ใช่ประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของตนคือสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ที่จะประครับประคองเรื่องราวของชีวิตตนให้ปลอดภัยขึ้น จึงบอกว่าตนนั้นว่าอยากเน้นเรื่องของกรรมที่ทําให้เป็นทุกข์และอยากจะเน้นถึงเรื่องของจิตของอตอนที่ฝึกฝนอยู่ในธรรมให้เป็นสุขถ้าเร า, าเราฝึกสองลักษณะอย่างเนี้ฝึกจิตให้รู้จักกรรมฝึกจิตให้รู้จักธรรมแน่นอนจิตต้องหนีกรรมได้คือหนีทุกข์ได้จิตต้องมีสุขแน่เพราะอยู่ในธรรมเนื้อเป็นลักษณะอย่างนั้น นั่นคืออธิบายแล้วถึงเรื่องของแนวทางการพิจารณาของสมาธิว่ารูปหนึ่งเวทนาหนึ่งต่อไปก็คงจะเป็นข้อที่สามคือสัญญาสัญญานี้หมายความว่าหมายรู้หมายจําหมายกําหนดจําอะไรได้กําหนดอะไรได้รู้อะไรได้เป็นเรื่องของการบัญญัติบัญญัติก็แปลว่าตั้งไว้ อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเช่นอย่างสัญญาแห่งความเป็นมนุษย์มันก็เป็นมนุษย์อยู่อย่างนั้นเราก็รู้ว่าอ๋ออย่างนี้คือมนุษย์คนนั้นมนุษย์คนนี้มนุษย์นั่นคือสัตว์จะเอาสัตว์มาเป็นมนุษย์ไม่ได้เอามนุษย์ไปเป็นสัตว์ไม่ได้เพราะเราจำแน่ความจำนั้นถูกเขาเรียกว่าสัญญาไปกระทั่งถึงเรื่องของเสียงเรื่องของตาเรื่องของจมกูกเรื่องของลิ้น แล้วตั้เรื่องของอารมณ์ที่เรียกว่าดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจสัญญาต่างๆเหล่านั้นเป็นสัญญาของธรรมชาติของชีวิตที่ทุกคนเกิดขึ้นมาต้องมีสัญญาจำแนกแจกออกไปตามลักษณะของบุคคลที่มีวิญญาณแต่ถ้าไม่มีวิญญาณแล้วสัญญาจะไม่เกิดขึ้นหมายรู้หมายจำหมายกำหนดจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีวิญญาณ เช่นอย่างต้นไม้ต้นนี้มีเพียงธาตุสี่และอากาศเทธาตุมีชีวิตเหมือนกันแต่ไม่มีวิญญาต้นไม้ต้นนี้จึงไม่สามารถจะเป็นสัญญาแห่งการจำหมายรู้หมายคิดหมายกำหนดอะไรได้เป็นธรรมชาติของสังขานหรือชีวิตนี้เกิดขึ้นมาแล้วต้องจำแนกไปตามลักษณะอย่างนั้นแต่เราเองไปใช้สัญญาผิดๆกับเรื่องของอุปกิณสามที่บอกแล้ว คือความไม่รู้ในเรื่องสัญญาข้อหนึ่งอุปทานความยึดมั่นกับเรื่องราวต่างๆห น, นึ่งนิบา ก, กรรมแห่งบีและชั่วอีกประการหนึง่งเราไปใช้กต่เพียงแค่นั้นทธิ์เขาเรียกว่ามีสัญญาเทร า, าะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะมีแค่นี้เกิดมามีสัญญาเพื่อจะมีราคะโทสะโมหะคือมีความโลภหนึ่งมีความโกรธหนึ่ง แล้วก็มีความหลงหนงมันเป็นลักษณะของสามัญชีวิตทั่วไปที่มนุษย์และสัตว์นั้นเกิดมาต้องมีสัญญานอกจากสิตวิตปริตที่เขาเรียกว่าคนเสียจิตสติสัมปชัญญะไม่เกิดเราก็เรียกว่าวิปริต <c oughs> <c oughs> เราจะเห็นถึงลักษณะสัญญาที่มนุษย์เกิดมาหมายรู้หมายจาหมายกาหนดเป็นสามัญธรรมดาของชีวิตที่เกิดมาตั้งอยู่ดับไป ต้องมีวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวตรงนี้หยุดตรงโน้นเดินไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ไปทำไอ้นั่นไปทำไอ้นี่เช้าแล้วมืดแล้วบ่ายแล้วเย็นแล้วเราจะรู้ได้จากเรื่องของวิญญาณที่เขาเรียกว่าสัญญาที่หมายรู้หมายจําหมายกำหนดเราคงจะเข้าใจถึงลักษณะสัญญาสามัญที่มนุษย์และสัตว์ใช้กันอยู่ แต่อยากจะพูดถึงลักษณะลึกๆของสัญญาอันนี้จริงๆแล้วสัญญานี้เป็นกฎเป็นอวิชาที่มนุษย์ไม่สามารถจะรู้เลยถ้าไม่มีใครบอกใครแสดงหรือใครกล่าวมีแต่อ์พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่บอกกล่าวเราขึ้นในเรื่องสัญญาแห่งความทุกข์อึกรมีตัวปรุงตัวจำนายตัวปรุงก็คืออารมณ์ตัวจหนายก็คือกายกับวาาิญาแล้วก็จิต มันตรงกายปรงวาจาและตรุงจิตของเหล่านั้นให้สร้างเวสร้างคำตามสัญญาที่ทําขึ้นกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แม้กระทั่งสิ่งสาราสัตว์มันให้ตอบสัญญาไว้หมดกับชีวิตเหล่านั้นกับวัตถุเหล่านั้นแล้วเสร็จแล้วเปไน็นไงเราก็ติดในสัญญาที่เรียกว่าหมายรู้หมายจําหมายกําหนด กับเรื่องของความพอใจและก็ไม่พอใจอยากจะเน้นตรงนี้ว่าสัญญาที่อยู่เบื้องหลังของชีวิตเหล่านั้นคือสัญญาก ร, รที่ทำให้เราเป็นทุกข์มาถึงตอนนี้ก็จะชี้ให้ฟังว่าเรากาลังจะรังอ่ากลังจะมีสัญญาธรรมขึ้นกับเรื่องของการนั่งสมาธิคือความเจริญเราจะพลิกถึงลักษณะสัญญาก ร, รมมาเป็นสัญญาธรรมขึ้นเหมือนอย่างที่ ท, ท่านบอกว่า ใครยิ่งแกว้งกวายยิ่งได้ดีพระโคดมผสมเหตุไว้ในเขตนี้พระพุทธองคนะ์และท่านผสมไว้ในลักษณะห้าประการท่านไม่ใช่บวชรรทเยอทยานพระสวัสดิหานั่นสวัหานี่เรื่องของปัจจัยสี่เรื่องของโลกธรรมำปแต่พระพุทธเจ้าทรงมานั่งในลักษณะของสมาธิห้าข้อสวัสหาสัญญาห้าข้อนี้เพื่อให้เกิดเป็นลักษณะจิตกําหนดหมายรู้หมายจํา ถ้าใครเข้าใจถึงลักษณะสัญญาห้าข้อนี้บุคคลนั้นก็จะคลายออกจากความทุกข์หรือกรรมนั้นทีละเล็กทีละน้อยขึ้นตามลักษณะของกระแสจิตที่กําหนดได้จากความรู้ความเข้าใจของตัวเองเราก็คงจะไม่ค่อยอ่าไม่ไม่เป็นบุคคลที่เดียว่าเดินไปตามสัญญาโลกแล้วเดินไปตามอารมณ์แล้วเดินไปตามทุกข์แล้วแต่เรากำลังจะเดินไปสู่คำว่าธรรม ออกจากกรรมมาเป็นธรรมขึ้นเราก็จะต่อสัญญาธรรมของเราอย่างนี้ได้เรื่อยไปถ้าเรามีโอกาสถ้าเรามีเวลากับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจึงกําหนดเรื่องสัญญาเนขึ้นว่าเออเราจะทําสัจจะปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนแปดถึงเดือนถึงแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดในหัวข้อสัจจะต่างๆที่เรากล่าวแล้ว นั่นจะเห็นถึงลักษณะว่าเรากําลังทําสัญญาทําขึ้นโดยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เพิ่มความรู้ความเข้าใจของสัญญาธรรมอันนี้จึงบอกว่าอยากจะเน้นถึงลักษณะว่าสัญญากรรมรู้จักแล้วต่อไปก็รู้จักสัญญาธรรมบ้างถ้าเรามาทางสัญญาธรรมบ่อยๆแล้วก็ทําเรื่อยๆทําให้เข้าใจถึงลักษณะสัญญาทุก์สัญญาเกิดสัญญาตาย เราก็คงจะออกจาบสัญญาเวรสัญญากรรมเหล่านั้นความเกิดความตายของเราก็คงจะน้อยลงน้อยลงการเบียเดเบียนการทำร้ายการทำสัญญาให้แก่กระแส จ, จิตตรงนี้หรือ้าติสี่อันนี้ก็คงจะน้อยขึ้นน้อยขึ้นอยากให้เข้าใจถึงตรงนี้ว่าเออเรากำลังเดินทางสู่สัญญาธรรมเพื่อหนีกรรมนี้ทุกข์ก็ชี้แจงให้เข้าใจพอเป็นแนวทางแห่งการคิด สำหรับสติสัมปชัญญะเราในวันหนึ่งและคือหนึ่งเราจะทำชีวิตอย่างนี้ไว้กับสัญญาอะไรดีจะทำสัญญากรรดีหรือจะทำสัญญาธรรดีถ้าสัญญากรรมแน่นอนเราต้องมีทุกข์ถ้าสัญญาธรรมแน่นอนเราต้องมีสุขวันหนึ่งเราต้องสุขเหมือนพุทองค์ทรงสุขแล้วถ้าอารหันต์เจ้าทั้งหลายท่านสุขแล้วท่านมีความเพียรที่จะเดินตามสัญญาธรรมของท่านตามลักษณะ ในการสะสมเหมือนกเราสะสมสัญญาทำกันอย่างเนี้ยเราก็เอากันเพียงว่ามัชิมาปฏิปทาแห่งการดำรงในสัญญาก็คือสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มเราก็จะพักผ่อนกันสัญญาของเราก็เกิดขึ้นจากสองทุ่มถึงห้าทุมเราจะนั่งตรงนี้เราจะเดินตรงนี้เราจะยืนตรงนี้เราจะทำใจตรงนี้แต่อีกข้อหนึ่งนั้นไม่เพราะไม่อยากให้ทางก็คือใส่ ย, ยาก ถ้าเราจะทำสายญาติมันก็คงจะไปเป็นไปที่กติกแล้วก็จิตของเราดีพอแล้วก็คงจะทำสายญาติได้แต่ถ้าจิตของเรายังไม่ดีพอก็ควรจะยืนเดินนั่งพอแล้วกับเรื่องสัญญาธรรมเราก็คงจะจำได้ว่าอ๋อสัญญาของเรามีสองประเภทที่ควรจะรู้จักสัญญาตามสัญชาตญาณแห่งการเกิดการตายแห่งการดำรงชีวิตสัญญาแห่งการเบียดเบียนทั้งหลาย ที่เรานั้นไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเราก็เข้าใจขึ้นและยิ่งกว่านั้นก็คือเราก็เข้าใจถึงสัญญาธรรมถึงเราก็พูดกันมามากถึงเรื่องของนี่เวนนี่กรรมนี่ชีวิตทําไมเราเกิดมาต้องอเกิดมาต้องมีทุกข์เกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราเคยทําสัญญาโลกไว้มากทํากรรมไม่มากเกิดมาจึงต้องมีทุกมีเวทนา ต้องทัดชาติเอกจากสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้ถึงนั้นไปตามลักษณะสัญญาเกิดสัญญาตายข้อที่สามเลยนะเรื่องสัญญาพอเข้าคร่าวรายละเอียดทั้งหลายนั้นพู้ปฏิบัติก็คงจะนําไปศึกษาไปพิจารณาให้เกิดเป็นความเข้าใจถึงเรื่องสัญญาผู้ก็เขาดีๆนั่นเป็นสัญญาที่ดีผู้เขาไม่ดีก็ เ, เป็นสัญญาที่ทุกเป็นสัญญาที่ไม่ดีนั่งสมาธินี่ยเขาเรียกสัญญาธรรม แต่ถ้าเราไปนั่งตินั่งเตียง น, นั่งกล่าวนั่งว่าคนนั้นคนนี้เนะี่ยเขาเรียกสัญญาโลกสัญญาทุกข์เราจะเก็บความทุกข์ให้กับจิตตรงนี้หรือว่าจะเก็บความสุขให้กับจิตตรงนี้แล้วแต่สติปัญญาของเรานั้นจะเกิดเป็นความเข้าใจขึ้นต่อไปพระคมจะเป็นข้อที่สี่เเรียกสังขารเราเรากำลังกําหนดในสิ่งที่เราควรจะรู้จักก็คือขันธ์ห้านะ เรากำลัลงเดินทางอยู่ยในขันห้าคือกำลังเดินทางสู่ความเจริญของขันห้าคือความเข้าใจความเจริญเนี่ยขอให้เข้าใจนะความเจริญในที่นี้หมายความว่า ค, า er ความเจริญของปัญญาไม่ใช่ความเจริญที่เรามีเงินมีทองได้นั่นได้นี่ทรัพย์สินกันทองไม่ใช่อย่างนั้นความเจริญในที่นี้คือสติปัญญาที่ไม่รู้ก็จะรู้ขึ้นไม่เข้าใจก็จะเข้าใจขึ้น ที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าความเจริญนอว่าอริยะคือผู้ที่เจริญแล้วทางจิตในการพิจารณาให้เกิดเป็นสติปัญญาขึ้นสังขารข้อที่สี่ไม่ต้องไปมองไกลที่ไหนเลยสังขารก็คือตัวเราหรือกายเรานั่นเองซึ่งประกอบมาเป็นลักษณะธาตุสีอายตนะ12สอง ดินน้ำลมไปอากาศธาตุวิญญาณธาตุ